จนพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเถิดหัวข้อที่6ความเบียดเบียนตนพระองค์ทรงตัดเป็นพุทธภาษิตว่ายัสสะอัจจันตทุตสีลยังมาลุวาสาลมิโวตะตังกรโรติโส ถัทตานังยะถานังอิจติทิโสแปลว่าความเป็นผู้ทุศีลเหลือเกินครอบงารึงรัตบุคคลใดเหมือนเถาวันร้อมรัดต้นสาระบุคคลนั้นย่อมทำตนเหมือนโจรปรารถนาจะทำแก่เขาวงเล็บคือเบียดเบียนเขา ความเป็นผู้ทุศีนั้นคือการล่วงศีนเนืองๆนงเพราะขาดนิริโอตตะบัางเพราะไม่สามารถควบคุมตนเองเนื่องด้วยความยัวยวนบ้างความทุศีนเนืองนงนั้นเป็นการเบียดเบียนตนเองอาการล่วงศีนเนือ ง, งเนืองพึงเห็นได้จากพระบาลีที่ว่าปานาติปาตีเท่ากับฆ่าสัตว์เป็นปกติหรือเป็นอาจินอาทินาทายี ลักทรัพย์เป็นอาจินกาเมสุมิจชาจารีประพฤติผิดในการเป็นอาจินมุสาวาทีพูดเท็จเป็นอาจินมัชปายีดื่มของมึนเมาเป็นอาจินเป็นต้นการล่วงเสินเนืองนี่แหละท่านเรียกว่าความเป็นผู้ทุศีลและมักจะมาคู่กับคําว่ามีธรรมสามหรือทำลามุก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 บางท่านรักษาอย่างกลางบางท่านรักษาอย่างสูงหรืออย่างอุกิตประณีตผู้รักษาศีลอย่างเปลาย่อมรักษาตามกำลังความสามารถอาจล่วงศีลได้เมื่อจำเป็นหรือเกี่ยวกับอาชีพบางอย่างเช่นชาวประมงต้องทำปานาติบาตเพื่อการดำรงชีพไม่ควรจะตาหนิว่าเป็นคนใจบาปหยาบช้าหากเขาสามารถรักษาศีลข้ออื่นได้และประพฤติธรรมอย่างอื่นได้ ก็ขอให้ทำไปเท่าที่สามารถจะทำได้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวศิระยานวรโรรสทรงว้ายในมหาสมณาศาศาสารเรื่องการเทศนาสอนชาวประมงลงวันที่15มีนาคม2459ว่าจากติเตียนคนหาเลี้ยงชีพในทางประมงที่พวกพระเรียกว่าปานนาติบาตโดยส่วนเดียวไม่ได้ เพราะการเลี้ยงชีพต้องเป็นไปเหมาะแก่ถิ่นฐานอันคนผู้ประพฤติ ธ, ธรรมก็ต้องประพฤติเพียงพอดีแก่ฐานะของตนไม่เช่นนั้นก็เป็นอยู่ไม่ได้คนผู้อยู่ในถิ่นฐานอันจะต้องเลี้ยงชีพด้วยการประมงพระสั่งสอนให้เว้นได้ในคำว่าหักด้าพระด้วยเขา่าเขาย่อมทำตามไม่ได้อยู่เองบางคนเชื่อถือได้ทำตามเป็นหมดทางเลี้ยงชีพเท่านั้นเอง แต่ศาสนามีประโยชน์แก่เขาอย่างไรเขาย่อมรู้อยู่เขาจึงนับถือและออกกำลังบำรุงฝ่ายพระควรรู้จักว่าอย่างไรเป็นประโยชน์แก่เขาบ้างอย่าถือว่าชาประมงเป็นคนใจบาบหยาบช้าไม่ควรโปรดโดยส่วนเดียวพึงเข้าใจว่าการประมงเป็นเอกเทศของปานาติบาตวงเล็บเอกเทศเท่ากับบางส่วนหรือส่วนหนึ่งไม่ใช่ตัวปานาติบาตททีเดียว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 แต่เมื่อภัยมาถึงตัวจะต้องเจ็บตัวหรือจะต้องเสียชีวิตเขาก็ยอมสละศีลเพื่อรักษาตัวหรือรักษาชีวิตไว้ก่อนฝ่ายผู้รักษาศีลอย่างสูงนั้นยอมสละชีวิตเลือดเนื้อแต่ไม่ยอมสละศีลของตนยอมตายโดยไม่ยอมทำลายศีลดูปฏิปทาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นตัวอย่างศีลเป็นพรหมจรรย์อย่างหนึ่งสมดังที่ท่านกล่าวไว้ใน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 ความเป็นกษัตริย์สำเร็จมาด้วยคุณธรรมคือพรหมจันท ร, ร์อย่างเลวเท่านั้นพรหมจันท ร, ร์ในที่นี้หมายถึงกุโบสดศีลอย่างไรก็ตามความเป็นผู้ทุศีลหรือทำลายศีลหนึ่งเหนียงย่อมชักบาปมาสู่ตนบาปนั้นรัดลึงย่อมยีครอบงำและทำลายบุคคล น, นั้นให้ต่ำสามลงไปจเจริญได้ยากเหมือนเถาวันที่รัดลึงต้นสาระไว้ไม่ให้จเจริญ ง, งอกงามเท่าที่ควรจะเป็นเรื่องนี้ พระบรมศา ส, สดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่เวรุวันทรงปรารบพระเทวทัตมีเรื่องย่อดังนี้วันหนึ่งพวกภิกษุสนทนากันในธรรมสภาว่าพระเทวทัตเป็นผู้ทุศีลมีธรรมซามกิยกรรมพระเจ้าอาชาสตรูอย่างลาบสการะให้เกิดขึ้นชักส่วนพระเจ้าอาชาสตรูให้ปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดา ร่วมคิดกับพระเจ้าอาชาศัตรูตะเกียกตะกายเพื่อจะฆ่าพระธากตเจ้าด้วยประการต่างๆเพราะตันหาของตนเพราะเหตุที่พระเทวทัตเป็นผู้ทุศีนนั่นเองพระาศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องที่พิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าพิกษุทั้งหลายไม่เพียงแต่บัดนี้เท่านั้นที่เทวทัตตะเกียกตะกายเพื่อฆ่าเราแมในการก่อนก็เคยทามาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัส กรุงขะชาดกเป็นต้นแล้วตรัสอีกว่าภิกสุทั้งหลายตัณหาย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุที่เป็นผู้ทุศีลมันห่อหุ้ม ร, รัฐรัดผู้ทุศีลเหลือเกินนั้นแล้วโยนลงไปในอบายสี่มีนรกเป็นต้นเหมือนเทวันผูกพันรัฐรึงต้นสาระฉะนั้นพระพุทธองค์ mm. ตรัสพระคาถาต่อไปว่าความเป็นผู้ทุศีลเหลือเกินครอบงำรัรึงบุคคลใด เหมือนเทววันล้อมรัดต้นสาระบุคคลนั้นย่อมทำตนเหมือนโจรปรารถนาจะทำแกเขามีนยะดังพรณนามาแล้วแต่ต้นนั่นแลอันนี้เป็นวิธีเป็นกุศโลบายในการแนะนำในการสอนโดยเฉพาะบางอย่างอย่างที่ท่านอุปมา ก, ก็ เป็นข้อที่น่าคิดเนี่ยแต่ถ้าพูดตรงไปตรงมาก็เรียกว่าถ้าไม่ครบมันก็เหมือนอวัยวะไม่ครบเพราะศิน5้านี้คือเป็นคุณสมบัติของมนุษย์เนี่ยคุณสมบัติถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งในศินห้าก็ก็คือไม่สมบูรณ์นั่นเองเนี่ยท่านเตงุ ป, ปมาบางครั้งว่าท่านิ้วมือนิ้วมือมี5นิ้วถึงเรียกว่าสมบูรณ์นี แต่ถ้ามันขาดไปหนึ่งสองนิ้วก็คือคนมีนิ้วสามนิ้วไม่ครบห้าก็ยังดีกว่าดีกว่าคนไม่มีนิ้วสักนิ้วมีหนึ่งนิ้วก็ยังดีเนะเาะพอได้เกี่ยวนอนเกี่ยวนี่ได้บ้างเน่นั่นคือเป็นกุศลโลบายในการสอนศีล ส, สอนธรรมเน่ถ้าจะไปบอกว่าผิดทำไม่ได้อะไรทนะั้งมันหมดกำลังใจเ่ยคนเราถ้าหากว่า เสริมกำลังใจให้หน่อยอาจจะกยับขึ้นมาจากข้อหนึ่งทำได้ข้อสองพยายามก็อาจจะทำได้ข้อสามม จ, จะทำได้เมื่อเห็นโทษบ่อยๆอาจจะได้ทั้งห้าข้อก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อเขาเ่ถ้าหมดกำลังใจเสร็จแล้วก็เลยไม่ต้องทำมันเลยแม้ข้อหนึ่งข้อใดก็ไม่ต้องรักษาไม่ต้องทำมันนีอันนั้นก็เป็นวิธีการแนะนาการสั่งสอนน เราเคยไปอยู่อยู่กับชาวประมงเนี่ยอยู่พรรษาหนึ่งก็ไม่ได้เทศเรื่องอย่างนี้หรอกเทศอยู่แต่ว่าเทศเรื่องอื่นเรื่องที่เขาสบายใจนะถ้าพูดเรื่องนี้ไม่สบายใจแล้วก็ไม่ต้องพูดเนี่ยพูดในเรื่องอื่นเนี่ยเขาก็มีศรัทธาดีเขาก็เลี้ยงจนตลอดพรรษาเหมือนกันแหละเนีเนแล้วก็มาสวดมนต์ไหว้พระทุกวันตอนเย็นเนี่ยมาพอๆกับโยมมาเนี่ยมั้งมาทุกวันทุกวันเลย นี่เป็นขนาดเป็นชาวประมงนะชาวประมงเข้ามาสวดมนต์แต่ว่าสามีเข้าลงไปจับปลาแต่ภรรยาก็เข้ามาสวดมนต์ก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะในสมัยก่อนก็มีเราเคยฟังผ่านมานี่ภรรยาเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยธรรมแต่ว่าสามีก็เป็นนาย พ, พรานนายพรานภรรยาก็จัดโน่นจัดนี่เครื่องดักสัตว์ดักอะไรให้ โดยไม่ได้เคยต่อว่าสามีไปทำทำไมมันบาปมันกรรมเลยไม่ได้ว่าสักคำเลยแต่ทำหน้าที่ภรรยาที่ดี จ, จ่างนจกระตั้งว่าพระเห็นไหมก็พระเองแหละพระที่ไม่เข้าใจาก็มองว่าเอ๊ะทำไมนี่นาง เ, เขาชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วล่ะเนอเป็นอริยสาวิกาเนี่เป็นผู้เข้าถึงธรรมทำไ ม, ม ย, ยังสนับสนุน ให้เขาทำบาปอยู่ทำปณิธาบาศอยู่อย่างั้นก็คือจัดเครื่องไม้เครื่องมือไปล่าสัตว์ให้สามีทุกวันจนกระทั่งว่าพระองค์มาถามพูดกันเรื่องอะไรนี่พอพูดเรื่องนี้ก็บอกว่าพระองค์ก็แก้ความสงสัยให้อบอกว่าจิตใจของอนางนั้นไม่เคยคิดสนับสนุนเลยเนี่ แต่ถือว่าเป็นหน้าที่ของภรรยาที่จะพึงทำเนี่ยเขาไม่เคยพูดสักคำว่าท่านเอาอันนี้ไปยิงไปฆ่าไปดักนะไม่เคยได้ได้พูดมีแต่ถึงวันเวลาเขาจะไปก็ เ, เอามาวางไว้วางไว้เท่านั้นเองนะด่งนั้นศีล น, นี้ก็อยู่ที่เจตนาเนี่ยถ้าไม่มีเจตนาแล้วก็ไม่ไม่ถือว่าละเมิดศีลหรือผิดศีลเนี่ย เจตนาหังสีหลังวัามิสีเนีเจตนางดเว้นเจ็ดกรรมที่ทำง่ายและทำยากพระพุทธภาสิสุกรานิอสาธูนิอัตโนอหิตานิจะยังเวหิตันจะสาธุนจตังเวปร r ม m a t ัง แปลว่ากรรมที่ไม่ดีและไม่มีประโยชน์แก่ตนทำง่ายส่วนกรรมใดมีประโยชน์ด้วยดีด้วยกรรมนั้นทำได้ยากยิ่งกรรมที่ไม่ดีและไม่มีประโยชน์แก่ตนและคนทั้งหลายคือกรรมอันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นเป็นไปเพื่ออาบายในสัมรารยาภพกรรมนั้นทำได้ง่ายเพราะไม่ต้องทวนกระแสจิตท่านว่าจิตของปุถุชนคนธรรมดานั้น มักน้อมไปในทางชั่วทางต่ำทางความใคร่ความปรารถนาในการบารม์ความทะยานอยากในทรัพย์สมบัติเป็นต้นมันไหลไปเหมือนน้ามีปกติไหลลงสู่ที่ต่ำการกั้นจิตจากอกุศลให้ทวนกระแสขึ้นไปหาธรรมเป็นเรื่องยากคนส่วนมากมักใช้เวลาให้หมดไปด้วยการกระทาและการสนทนาในสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์ เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตไปในทางเช่นนั้นเช่นนั่งเล่นการพนันอยู่ได้เป็นวันเป็นคืนจุมนมกันดินทาคนอื่นอยู่ได้วันละหลายๆชั่วโมงส่วนกิจอันเป็นหน้าที่ของตนมิค่อยได้เอาใจใส่การพนันนั้นเป็นอบา ย, ยมุก ค, คือทางแห่งความเสื่อมอย่างหนึ่งถ้าเปรียบด้วยหลุมก็เป็นหลุมใหญ่และลึกประกอบด้วยสิ่งปฏิกูลพึงรังเกียจมากมาย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 1. เมื่อชนะย่อมก่อเวร 2. เมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป 3. ทรัพย์ย่อมชิบหาย 4. ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำ 5. เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อน 6. ผู้ดีไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยที่ว่าก่อเวร น, นั้นคือก่อความโทมนัสแก่ผู้แพ้เพราะ เขาต้องเสียทรัพย์โดยไม่อยากเสียและไม่ได้อะไรคืนมาเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนเรียกว่าเสียไปเปล่าผู้แพ้จึงเสียดายทรัพย์ที่เสียไปเป็นธรรมดาเพราะโดยปกติทรัพย์นั้นทุกคนอยากได้แต่ไม่มีใครอยากเสียข้อว่าทรัพย์ย่อมสิบหายนั้นดูตัวอย่างคนบางคนพยายามทำงานมีค้าขายเป็นต้นอาบเหงื่อต่างน้ำสะสมทรัพย์ด้วยความยากลาบาก เดือนหนึ่งบ้างสองเดือนสามเดือนบ้างปีหนึ่งบ้างรั์นั้นพอกพูนขึ้นทีละน้อยแต่เมื่อนำมาเล่นการพนันมันหมดได้ภายในวันเดียวหรือคืนเดียวน่าเสียดายถ้าเอาซั์นั้นไปทำประโยชน์อย่างอื่นก็จะเป็นประโยชน์อันทาวรเป็นประโยชน์แก่ตนและแก่คนทั้งหลายคนเล่นการพนันแพ้บ่อยเข้ามักต้องกู้หนี้ยืมสิน นี่สินพอกพูนมากเข้าไม่อาจใช้เจ้าหนี้ได้ตามกำหนดเวลาต้องผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยไปทำให้เจ้าหนี้หมดความเชื่อถือถ้อยคำบางทีเมื่อหาเงินมาไม่ได้โดยทางซื่อก็หาทางปิ้นปลั่นตลบตะแลงทำให้ขาดความเชื่อถือหนักเข้าไปอีกจึงเป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อนฝูงและคนที่รู้เรื่องเขา ข้อว่าไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยนั้นความว่าการแต่งงานก็เพื่อร่วมสุขร่วมทุกข์กันเพื่อเป็นเพื่อนชีวิตสร้างรากฐานตระกูลวงศ์ให้เจริญไพศาลให้เป็นตระกูลหรือพงพันธุ์ที่ดีการจะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อได้คู่สมรสที่ดีหากได้คู่สมรสที่ฝักใฝ่ในการพนันเอาทรัพย์สินไปผลาญเสียในวงไพ่วงบ่อนเบีย้ยตระกูลก็ไม่อาจตั้งให้มั่นคงไพศาลได้ อันหนึ่งคนมีนิสัยทางการพนันนั้นมักมาคู่กับการเกียรติคร้านทั้งสองอย่างบวกกันก่อกาเนิดความหายยนะอย่างใหญ่หลวงแก่ผู้เป็นเช่นนั้นด้วยเหตุนี้ผู้ดีผู้มีปัญญาเห็นการไกลจึงไม่ปรารถนาแต่งงานร่วมชีวิตกับนักการพนันการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่มีประโยชน์แต่เป็นของทาได้ง่ายคนจึงติดกันมาก ส่วนกรรมดีมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาความขยันหมั่นเพียรความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นต้นเป็นกรรมดีและมีประโยชน์เป็นสิ่งทายากอย่างไรก็ตามทศนะทางพระพุทธศาสนามีว่ากรรมดีคนดีทำได้ง่ายคนชั่วทำได้ยากกรรมดีคนชั่วทำได้ยากคนดีทำได้ง่ายส่วนพระอริยเจ้านั้นไม่ทำกรรมชั่วเลยดังพระพุทธภาษิตว่า สุกังสาธุนาสาทุสาทุปาเปนะทุกรังปาปังปาเปนะสุกรังปาปะมริเยหิทุกขังรวมความว่าคนดีทำดีได้ง่ายคนชั่วทำชั่วได้ง่ายเรื่องนี้พระบรมศาสดาทรงแสดงคณะประทับอยู่ณเวรุบนารามทรงปราบ ก, การกระเสือกกระสนเพื่อทำลายสงของพระเทวทัตมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้ ความว่าวันหนึ่งเวลาช้าพระอานุ์เข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชเครืพบพระเทวทัตพระเทวทัตได้พูดกับพระอานุ์ว่าอาวุโสอานุ์ตั้งแต่วันนี้ไปข้าพเจ้าจะธรบูโบสสังฆกรรมแยกจากพระศาสดาและภิกษุสงฆ์สาวกของพระศาสดาพระอานุ์กลับมากราบทูลพระศาสดาว่า วันนี้พระเทวทัตทำลายสงแล้วคือจากธรมโบสถ์สังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์เมื่อพระอานุทูลดังนี้พระาศาสดาจึงทรงเปล่งพระอุทานว่าสุกรังสาธุนาสาธุสาธุปาเปนะทุกรังปาปังปาเปนะสุกรังปาปะมริเยหิทุกรังกรรมดีคนดีทำได้ง่ายคนชั่วทำได้ยากกรรมดีคนชั่วทำได้ยากคนดีทำได้ง่าย ส่วนพระอริยะเจ้านั้นไม่ทำกรรมชั่วเลยดังนี้แล้วตัดต่อไปว่าอานน์กรรมอันไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่ายส่วนกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ตนทำยากนักหนาพระผู้มีพระภาคตัดต่อไปว่ากรรมที่ไม่ดีและไม่มีประโยชน์แก่ตนทำได้ง่ายส่วนกรรมบันใดมีประโยชน์ด้วยดีกรรมนั้นทาได้ยากยิ่งมีนยะ ดังพันานามาแล้วแต่ต้นนั่นแลอันนี้สำหรับผู้ที่จิตใจที่เข้าใจในธรรมก็ย่อมเข้าใจดีอยู่แล้วก็คงไม่เหลิงลอยตามไปตามคำพูดของเขานี่ที่ว่าความดีมันทำยากแต่ี่ว่าความดีทำยากก็แสดงว่า เราทำชั่วง่ายก็อยากจะทำชั่วบันค้านกันขัดกันนี่มันอยู่ที่ดังที่ท่านอธิบายว่าความพอใจของคนคนถ้าพอใจในสิ่งใดนี่อันนั้นมันถึงยากมันก็ง่ายนี่ก็มันตรงกันข้ามอย่างที่ท่านบอกนี่อย่างการพานันอย่างนี้ถ้าคนเห็นโทษของการพานันนี่แม้จะดึงเขา ไปอย่างไรจะจ้างเขาไปเล่นเขาก็ไม่เล่นเนี่ยนี่มันยากสําหรับคนที่เห็นโทษเนี่ยนี่ไอ้คนที่ถูกผีสิงอยงที่ท่านว่านั้นมันง่ายเหลือเกินไหลเข้าไปง่ายเนี่ยบางครั้งก็รู้อยู่รู้อยู่แก่ใจว่าอย่างนั้นแต่ก็ถอนตัวไม่ได้มันเหมือนมีอะไรสิงอยู่ในนั้นนะเออคือมันไม่รู้จริงนะถ้าพูดง่ายๆก็เออถ้ารู้จริงแล้วมันมันก็ออกได้ง่ายเนี่ย หมายถึงว่ารู้โทษมันนะไม่ได้เรียนรู้เรื่องโทษของมันจริงๆมันก็เลยออกอยากเนี่ยก็ติดอยู่นั่นแหละเหมือนคนเสพติดอะไรบางอย่างเนี่ยทําไ้มันมันถึงออกไม่ได้เพราะมันมีมีรสรสที่ทําให้เกิดความพอใจเนี่ยพีย่พุทธเจ้าว่ารสอร่อยของมันนี่นั่นคือคุณแต่มันนิดเดียวนะรสอร่อยนิดเดียวเนี่ย แต่บางทีก็เพราะความหลงโมหะความเห็นผิดเนี่ยบางคนบอกว่ากินเหล้าแล้วมีความสุขเนี่ยกินแล้วมันเมาเคลิ้มๆเนี่ยมีความสุขเนี่ยนั่นก็คือมองเห็นความทุกข์เป็นความสุขเนี่ยตั้งๆที่ตนเองทุกขนะ์แต่คิดไปว่ามันเป็นมันเป็นสุขแต่พอเมาจริงๆก็ทุกข์เนี่ยความคิดมันหลอกไปหรือตัณหาหลอกไปมากกว่ามันหลอกไป น่พอไปถึงตรงนั้นจริงๆแล้ก็ทุกข์แปดผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเองพระพุทธภาสิทธโยสาสนังอรหตังอริยานังธรรมชีวินังปฏิโกสติทุมเมโททิถิงนิสายะปาปิกังภลานิกนัตกัดเซวะ อั ต, ตคัญญายาพันติแปลว่าผู้ใดมีปัญญาสามอาศัยทิฏฐิชั่วย่อมคัดค้านคำสอนของพระอริยเจ้าผู้เป็นอรหันต์ผู้มีชีวิตอยู่โดยธรรมผู้นั้นเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเองเหมือนขุยไผ่เกิดมาฆ่าต้นไผ่ฉะนั้นในที่นี้จับความได้ว่าผู้คัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้า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 กับผลประโยชน์หรือทิฐิอันชั่วของตนการกระทาเช่นนั้นเป็นการฆ่าตนเองเหมือนขุยไผ่เกิดขึ้นเพื่อฆ่าต้นไผ่คือต้นไผ่ป่าเมื่อตกขุยแล้วก็ตายต้นกล้วยก็เหมือนกันออกเคลือแล้วตายพวกนี้ออกลูกได้ทีเดียวแม้ม้าอัศดอนเมื่อมีลูกก็ตายสมดังพระพุทธภาษิตที่ว่าพลังเวกะทเรงหันติ พลังเวรุหลังพลังนลังสักกาโรกาปุริสังหันติคัพโพอัศตริยะถาความว่าผลกล้วยย่อมฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ผลอ้อฆ่าต้น อ, อ้อลูกในท้องฆ่าแม่ม้าอัศดรฉันใดสักการะย่อมฆ่าคนชั่วฉันนั้นเหมือนกันขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่คือเวลามันออกดอกน อัตกถาธรรมบทสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวศิรยานวโรรถทรงอธิบายว่ากันตะกะในที่นี้หมายถึงไม้ไผ่ป่าไม้ไผ่ออกลูกเขาเรียกออกขุยหรือตกขุยแต่ว่าไผ่บางชนิดมันออกดอกออกขุยก็ไม่ตายก็มีนี่นแต่โดยทั่วไปถ้าเป็นไผ่ป่าไผ่ไผ่บ้านก็ไผ่เลี้ยงนี่ออกก็ตายส่วนมากไม่เหลือ รวมความว่าสการะความนับถือทรัพย์ยศและเกียรติเมื่อเกิดขึ้นแก่คนชั่วย่อมเกิดขึ้นเพื่อฆ่าเขาอย่างเดียวเกิดขึ้นเพื่อเป็นโทษแก่เขาหาเป็นคุณไม่คนนิสัย่านสันดานชั่วเหล่านั้นควรขวายให้ทรัพย์ยศเกียรติเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เมาอยู่ในทรัพย์ยศและเกียรติเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นอาวุธฆ่าเขาเพราะความเมานั่นเองท่านจึงเตือนว่ายะโสลธา นมัตเฉยะได้ยศแล้วไม่พึงเมาการเมายศเมาเกียรติเมาชื่อเสียงนั้นมีผลร้ายมากกว่าเมาเหล้าเสียอีกเพราะอันเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนคนฉลาดย่อมพยายามทำให้ความลำบากยากเข็ญเป็นขอรองเหยียบไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จทำราบยศชื่อเสียง ให้เป็นเครื่องมือสำหรับประกอบกรรมดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่คนโง่กลับทาสิ่งที่ตรงกันข้ามเรื่องนี้พระศ า, ศาสดาทรงแสดงณที่ประทับขณะที่ประทับอยู่ณพระเชตวันวิหารทรงปรารบ พ, พระกาละเทระมีเรื่องย่อดังนี้ความว่าหญิงคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีเป็นโยมอุปถากของพระเถระนั้นทำนุบํำรุงพระ กาลเถระประดุดมารดาพึงกระทำต่อบุตรเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงของหญิงนั้นไปฟังธรรมในสำนักพระศาสดาแล้วกลับมาสรรเสริญพระศาสดาและพระธรรมเทศน า, าของพระองค์ว่าแหมพระพุทธเจ้านี้อัศจรรย์จริงพระธรรมของพระองค์ก็ไพเราะเป็นต้นหญิงนั้นฟังคำของเพื่อนบ้านแล้วอยากไปฟังธรรมของพระศาสดาบ้าง เมื่อพระเถระมารับอาหารในเวลาเช้าจึงบอกแก่พระกาละว่าท่านเจ้าข้าดิฉันอยากฟังธรรมของพระาศาสดาบ้างอย่าเลยอุบาสิกาอย่าไปที่นั่นเลยไม่จำเป็นหรอกพระกาละห้ามวันรุ่งขึ้นนางขออีกแต่พระเถระนั้นก็ห้ามอีกถึงสามครั้งแต่นางก็ยังอยากฟังธรรมในสํานักพระาศาสดาอยู่นั่นเอง ที่พระกาละเทระไม่ประสงค์ให้อุบาสิกาไปฟังธรรมก็ด้วยความคิดเขาว่าเมื่อนางฟังธรรมของพระศ า, ศาสดาแล้วจะแตกจากเราไปแล้วไปเลื่อมใสพระศ า, ศาสดาเสียวันหนึ่งหญิงนั้นตื่นแต่ช้าบริโภคอาหารเสร็จแล้วสมทานอุโบสถแล้วสั่งบุตรีไว้ว่าเจ้าจงปฏบิบัติบำรุงพระผู้เป็นเจ้าการะให้เรียบร้อยอย่างที่แม่เคยทามาดังนี้แล้วรีบไปยังเชตวนาราม เฝ้าพระาศาสดาเพื่อฟังธรรมเมื่อพระการะเทระมาถึงบ้านบุตรีของนางก็อังคาดเทระอย่างเรียบร้อยอย่างที่แม่สั่งพระเทระถามหาอุบาสิกาทราบว่านางไปวิหารเฉตวันเพื่อฟังธรรมของพระาศาสดาพอได้ยินเท่านั้นความเร่าร้อนกระวนกระวายก็เกิดขึ้นแก่พระการะเทระนึกหวั่นเกรงไปว่าเมื่อนางเลื่อมใสในพระาศาสดาแล้วจะแตกจากเรา เขารีบกลับไปวัดเชตวันเห็นหญิงนั้นนั่งฟังธรรมอยู่ในสำนักพระาศาสดาจึงทูลว่าพระเจ้าข้าหญิงคนนี้เขานักไม่อาจเข้าใจธรรมกาถาอันละเอียดได้โปรดอย่าทรงสแสดงธรรมกาถาอันละเอียดปฏิสังยุตด้วยสภาวะมีขันเป็นต้นขอจงตัดแต่เพียงคถาอันว่าด้วยทานและศีลเป็นต้นก็พอก <c oughs> าขนาดนั้นนอคือสมัยนั้นก็ยังมีพระแบบแปลกๆ ก, ก็มีเหมือนกัน พระาศาสดาทรงทราบบัทยาศัยของเธอว่าที่พูดเช่นนั้นเพราะเหตุใดจึงตรัสเตือนว่าดูก่อนภิกษุเธอเป็นคนปัญญาโสดอาศัยทิฏฐิอันชั่วช้าห้ามปรามคัดค้านคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการพยายามเพื่อฆ่าตนเองพระาศาสดาตรัสต่อไปว่าผู้ใดมีปัญญาสามอาศัยทิฏฐิชั่วย่อมคัดค้านคําสอนของพระอริยะเจ้า ผู้เป็นอรหันต์มีชีวิตอยู่โดยธรรมผู้นั้นเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเองเหมือนขุยไผ่เกิดมาเพื่อฆ่าต้นไผ่ฉะนั้นจบพระธรรมเทศนาอุบาสิกาดำรงอยู่ในโสดาปติผลอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะอย่างนี้ก็เข้าหลักหนึ่งที่พระองค์ทรงตัดไว้เหมือนกันเนะี่ยเขาเรียกว่าตหนี่ตระกูลห่วงตระกูล กลัวลาบจะเสียไปเนี่ยหรือแตนีในธรรมด้วยทำไม่อยากให้ไกรรู้ธรรมก็ด้วยลาบอีกแล้วเนี่ยแลก็เพื่อลาบยศหรือไม่อยากให้เขาออก่างจากตนไปนับถือคนอื่นเนี่ยแม้ปัจจุบันเรื่องอย่างนี้มันก็มีเหมือนกันเนี่ยถ้าว่าศึกษาธรรมะปัญญาไม่ถึงเนี่ ย, ยมันก็มีทุกรูปแบบเนี่ย เคยมีเรื่องเล่าเรื่องทานองเดียวกันนีเพื่อนเพื่อน เ, เล่าให้ฟังโอ้ยท่านหวงจริ ง, รงๆไม่ยอมให้โยมไปโน่นไปนี่เลยเ อ, อยากไปฟังธรรมที่โน่นที่นี่ก็ไม่ยอมให้ไปคัดค้านไว้ตลอดนอี่อย่างนั้นก็มีแสดงว่าภาวนาไม่ได้ไปไหนแล้วติดอยู่ตรงนั่นแหละสุดท้ายก็อยู่ได้ไม่นานจริงๆสึดไปแล้ว <c oughs> ใจไม่ได้เข้าถึงธรรมติดข้องอยู่ในสิ่งที่ไม่ควรติดข้องในโลกกรรม 9. ความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์พระพุทธภาษิทธ์อัตนาวกตังป่าปังอัตนาสังกะลิสติอัตนาอกตังป่าปังอัตนาววิสุทธิชติสุทธิอสุทธิปัจจตังนานโยอันยังวิโสทเยอันนี้พาษิท์พุทธพาษิทธ์นั่งทำเอกนี้ หรือทาโทก็ก็มีเหมือนกันบุคคลทํำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองบุคคลไม่ทํำบาปด้วยตนเองย่อมบริสุทธิ์เองความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนหนึ่งจะทําให้อีกคนหนึ่งบริสุทธิ์ไม่ได้อธิบายก่อนจะอธิบายพระพุทธภาสิทธินี้จะขอพูดถึงคุณค่า2 อ, อย่างเพราะเมื่อรู้ถึงคุณค่าสองอย่างนี้แล้วก็จะทําให้เข้าใจเรื่องความเศร้ามองและความผ่องแผ้ว อันเป็นของเฉพาะตนได้ดีขึ้นประการแรกคือคุณค่าภายในหรือคุณค่าที่แท้จริงประการที่สองคือคุณค่าภายนอกหรือคุณค่าที่มองเห็นเพียงผิวเผินขอยกตัวอย่างเรื่องคนคุณค่าที่แท้จริงของคนคือคุณค่าที่มีอยู่จริงในใจหรือในตัวของบุคคลนั้นเช่นความกล้าหาญความซื่อสัตย์ความกตัญญูเมตตากรุณาเป็นต้นอันรวม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 ตัวของมันเองอยู่ตลอดเวลาสมมติว่านายกอถูกใส่ร้ายว่าเป็นฆาตกรพยานหลักฐานที่กุขึ้นของฝ่ายโจทก์ก็หนักแน่นนักนายกอได้รับเคราะห์ถึงติดตารางหรือถูกประหารชีวิตคนทั้งหลายที่ไม่รู้ความจรงิงอันแท้จรงิงย่อมพลอยมีจิตคิดลงโทษนายกอไปด้วยแต่ความจรงิงนายกอเป็นผู้บริสุทธิ์ร้เปอร์เซ็ต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 ส่งปราลบุบาลศกชื่อจุลการมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้ความว่าโจรได้ลักทรัพย์ของตระกูลหนึ่งไปเมื่อเจ้าของติดตามก็ทิ้งห่อของไว้ข้างหน้าของอุบาลศกผู้ฟังธรรมในเชตวันวิหารตลอดราตรีแล้วเดินออกมาในเวลาเช้าโจรหลบหนีไปเจ้าของทรัพย์ตามมาเห็นดังนั้นเข้าใจว่าจุลการอุบาลศกลักทรัพย์จึงจับขาไว้และโบย หมูหญิงคนใช้ทูลหม้อไปตักน้ําในเวลาเช้าได้เห็นเหตุการณ์นั้นจึงช่วยห้ามและช่วยพูดให้คนเหล่านั้นเข้าใจว่าจุลกาณุบาศกเป็นคนเช่นไรย่อมไม่ประกอบกรรมทําชั่วเช่นนั้นพวกมนุษย์เชื่อจึงปล่อยเข้าไปเขากลับไปวิหารเล่าเรื่องทัพบวงให้ภิกษุทั้งหลายทราบภิกษุทั้งหลายทูลความนั้นแด่พระบรมศาสสดาพระทศพลเจ้าจึงตรัสว่า จุลกาณุบาศกได้ชีวิตเพราะพวกกลุ่มพระทาสีเพราะเหตุที่ตนมิได้ทําอันหนึ่งสัตว์ทั้งหลายเมื่อทําบาปเองย่อมเศร้ามองเองเมื่อทํากุศลย่อมไปสู่สุคติและนิพพานชื่อว่าย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเองพระศาสดาตรัสต่อไปว่าบุคคลทําบาปเองย่อมเศร้ามองเองไม่ทําบาปเองย่อมบริสุทธิ์เองความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตน คนหนึ่งจะทําให้อีกคนหนึ่งบริสุทธิ์หาได้ไม่มีระยะดังพันนามาแล้วแต่ต้นนั่นแหลอันนี้เป็นเรื่องความบริสุทธิ์ถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองมีความบริสุทธิ์ในตัวเองใครจะมาว่าอย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้ถึงจะ หาเหตุผลให้มันเป็นขนาดไหนมันก็ใจของเขาเนี่มันเอาใจเขาไม่ได้แต่เอากายอาจจะเอาได้ทําร้ายกายก็ทําร้ายได้แต่ทําร้ายใจเขาไม่ได้นี่นี่บางทีเรื่องอย่างนี้มันที่เราเรียกว่าแพลรับบาปก็มีเยอะแยะไปเนี่ยเหมือนเรื่องหนึ่งที่เราอ่านแล้วประทับใจกันเรื่องเจได้ไหมเนี่เจที่อยู่สารฟานที่อาจารย์ประสนโนทัน ให้กำลังใจยิ่งใกล้ประหารโทษประหารไดนะ้เนี่ยท่านก็ยิ่งไปเทเป็นคนไทยเนี่ยคนไทยแต่ชื่อเจ๋เนี่ยท่านว่าโอ้ดีมากเลยได้ไปช่วยเขาอะไรช่วยทางด้านจิตใจเขานิ่งมากเลยเนะี่ยจนเขาไม่ประวัติพันพึงในการประหารเนี่ยท่านก็บอกว่าจริงๆริงเขามีความในใจเนะ เขามีความบริสุทธิ์ใจเขากล้าพูดเขาว่าเขาไม่ผิดอะไรเลยเนี่ยแต่จะเป็นเพราะเหตุใดก็ไม่ทราบหลายๆอย่างมันคงมีเหตุอยู่นั่นแหละนี่อาจจะเป็นด้วยว่าตนมีความบริสุทธิ์แต่ไปคบหากับคนไม่บริสุทธิ์อันนี้ก็เป็นเหตุอันหนึ่งเนี่ยเหมือนคนดีมีเพื่อนเป็นโจรอย่างนี้เมื่อคนดีเป็นเพื่อนเป็นโจรโจรมันเยอะกว่ามีกาลังมากกว่าเนี่ย เมื่อไปสมคบกับมันเวลาเดือดร้อนมาเนี่ยพวกนี้มันไม่ใช่มิตรแท้ดังที่เราได้ศึกษามาเนี่ยเมื่อไม่ใช่มิตรแท้นี่ถึงข่าวขับขันมันไม่ได้ช่วยี่มันปลักปั๊มอันนี้มันง o ง่เสื่อเื่อเอามันเลยใส่มันไปเลยสุดท้ายก็เป็นแพะรับบาปนี่เห็นไหกับชีวิตของของเจท่วานี่แต่ว่าโทษมันถึงประหารเลยนะแต่เพื่อนรอดไปได้นี่ก็น่าคิดก็ ถ้ามองในแงก่กรรมก็สลับซับซ้อนอีกเลยอาจจะเคยทำกรรมอะไรมาแต่ปางก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ก็มีความซับซ้อนเยอะถ้าเรื่องกรรม 10. ประโยชน์ของตนพระพุทธภาสิทธัตทัตถังปรัตถเณพระหูนาปิณะหาปรปเยอัตทัตทะมะพินยายะสัทถะ สโตสยาแปลว่าบุคคลไม่ควรพร่าประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากรู้ประโยชน์ตนแล้วพึงขวนขวายในประโยชน์ของตนพระอัตถกถาอาจารย์อธิบายเรื่องนี้ไว้ว่าเมื่อภิกษุทำความเพียรอย่างหนักเพื่อบรรลุมรักผลนิพพานด้วยตั้งใจอย่างมั่นคงว่าวันนี้แหละเราจะแทงตลอดมรรคผลนิพพานดังนี้แม้จะละทิ้งอาจรยวัตร และอุปชายาวัดบ้างเพื่อประโยชน์ของตนคือการแทงตลอดมรคนิพพานนั้นก็ควรประโยชน์ของตนในที่นี้ทรงหมายเอามรคนิพพานเมื่อเห็นทางแห่งมรคนิพพานแล้วก็บากบันเพื่อสิ่งนั้นแม้จะละทิ้งสิ่งน้นอื่นคือไม่ทำกิจอย่างอื่นเลยก็ควรเพราะการบรรลุอรหัตผล น, นั้นถือเป็นประโยชน์สูงสุดในบรรดาประโยชน์ทั้งหลายเท่าที่มนุษย์จะพึงได้พึงถึงในชีวิตนี้ พูดให้ต่ำลงมาในส่วนโลกิยะบุคคลผู้ขวนขวายในประโยชน์ของตนโดยไม่ได้เบียดเบียนหักรานตัดรอนผลประโยชน์ของผู้อื่นก็ไม่ควรถูกตําหนิที่ควรถูกตําหนิก็คือมุ่งแต่ประโยชน์ตนแล้วหักรานผลประโยชน์ของผู้อื่นบเบียดเบียนผู้อื่นอีกประการหนึ่งผู้ยังไม่ได้บรรลุประโยชน์ของตนจากบําเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นได้อย่างไรการบรรลุประโยชน์ตนแล้วสําหรับ ผู้ใจกว้างย่อมสะดวกในการแผ่ประโยชน์นั้นไปถึงผู้อื่นด้วยประโยชน์ตนจึงมีความสำคัญอยู่ไม่น้อยลองนึกดูอีกอย่างหนึ่งเช่นซั์เป็นต้นว่าเงินตราที่เป็นของเราเองแม่น้อยหนึ่งเช่นบาทเดียวสองบาทก็ยังสำเร็จประโยชน์แก่เราส่วนเงินตราของผู้อื่นแม้จานวนล้านก็หาสำเร็จประโยชน์แก่เราไม่ประโยชน์ของตนสาคัญอย่างนี้มองในแง่ความสัมพันธ์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 นี่พูดถึงว่านายกอเป็นคนมีคุณธรรมคือความกระตันญูและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ประโยชน์ตนของนายกอกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยประโยชน์ผู้อื่นที่นายกอมีใจเอื้อเฟื้อกระทํานั้นมีผลย้อนมาให้นายกออีกคือทําให้นายกอมีความสุขและเป็นที่รักของพ่อแม่ญาติมิตรและบริวารประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นแยกกันไม่ออกดังกล่าวนี้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 ไม่บ้านของคนอื่นด้วยเพราะไฟที่ไม่บ้านของตนแล้วย่อมจะลุกลามไปไม่บ้านผู้อื่นด้วยอันหนึงเมื่อไฟไม่บ้านผู้อื่นถ้าไม่ช่วยดับไฟนั้นจะลุกลามมาไม่บ้านตนเองด้วยเหมือนกันด้วยเหตุนี้จึงควรช่วยกันป้องกันตนเองจากความชั่วและช่วยผู้อื่นให้เว้นจากความชั่วประพฤติธรรมด้วยตนเองและช่วยผู้อื่นให้ประพฤติธรรมด้วยเพื่อตนและสังคมจะได้อยู่เย็นเป็นสุข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 เรื่องนี้พระศาสดาแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เฉตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบพระอัตถ ท, ทะเทระผู้เห็นประโยชน์ตนเป็นสําคัญมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้เรื่องพระอัตถ ท, ทะเทระความว่าเมื่อจวนปรินิพานพระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าอีกสี่เดือนข้างหน้าเราจักปรินิพาน ภิกษุประมาณ700ร้อรูปที่ยังเป็นปุถุชนเกิดความสลดใจวนเวียนอยู่ใกล้สำนักพระศาสดาปรึกษากันว่าพวกเราจะทำอย่างไรดีหนอฝ่ า, ายพระอัตตะเถระหาทำเช่นนั้นไม่ไม่ไปยังสำนักของภิกษุทั้งหลายอื่นไม่บนเพอรำพันไม่รวมกลุ่มกับภิกษุทั้งหลายท่านคิดว่าข่าวว่าอีกสี่เดือนข้างหน้าพระศาสดาจากปรินิพานเรายังเป็นผู้มีราคะอยู่ เราจะพยายามเพื่อบรรลุพระอารหัตผลภายในสี่เดือนนี้พิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นเมื่อพบพระอัตถ ะ, ะจึงกล่าวว่าชไหนท่านจึงไม่รวมกลุ่มกับพวกเราท่านไม่ปรึกษาอะไรกับพวกเราเกี่ยวกับข่าวปริญญิพานของพระาศาสดาดังนั้นแล้วนำท่านไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อพระาศาสดาตรถามท่านก็ทูลเล่าถึงความคิดของท่านให้ทรงทราบ พระศาสดาทรงประทานสาธุ ก, การแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีความสเส neh หาในเราผู้นั้นควรทำอย่างพระอัตถ ท, ะ ท, ะทะัตเพราะว่าผู้บูชาเราด้วยของหอมดอกไม้เป็นต้นไม่ชื่อว่าบูชาเราส่วนผู้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ตนชื่อว่าบูชาเราด้วยการบูชาอย่างยิ่งพระทศพลตรัสต่อไปว่าบุคคลไม่ควรพราประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม่มาก รู้ประโยชน์ตนแล้วพึงขวนขวายในประโยชน์ตนมีในยะดังปรณามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระอัตถ ะ, ะ, ะเถรเถระได้สำเร็จอรหัตผลวรที่สิบสองชื่ออัตตะวะคัณนานารวมสิบเรื่องจบเพียงเท่านี้ ยังธรรมกถาสาทยสมันเตหิสั k ละเขตปาติ